วันนี้เป็นวันพระวันธรรมนะสัปแปลว่าวันฟังธรรมวันฟังการฟังธรรมก็คือการศึกษาหาความรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ สามารถที่จะให้ได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดไปในพบน้อยพบใหญ่ ถ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกวิธีจะไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของทุกๆคนให้หมดไปได้การศึกษาหรือการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นกุญแจดอก สำคัญดอกที่หนึ่งยังมีกุญแจดอกที่สองที่จําเป็นที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้เปิดเข้าไปในตู้เก็บของที่มีคุณค่ามาหาศาลเช่นเพชรนินจินดาต่างๆหรือเงินทองต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีกุญแจ เปิดเข้าไปในตู้เก็บของอีกทีหนึง่งกุญแจดอกแรกก็เป็นเหมือนกุญแจเปิดเข้าไปในในบ้านหรือในธนาคารพอเข้าไปในธนาคารแล้วก็ต้องไปเปิดตู้เซฟของธนาคารต้องมีกุญแจสองดอกถึงจะเข้าไปเอาเงินทองของมีค่าต่างๆที่เก็บไว้ใน ตู้เซฟของธนาคารได้ฉันใดของมีคุณค่าอันประเสริฐล้ำโลกที่มีคุณค่าราคามาหาศาลยิ่งกว่าเงินที่เป็นเงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านเพราะเงินทองที่เป็นหมื่นล้านแสนล้านนี้ไม่สามารถซื้อความหลุดพ้นจากความทุกได้ ต้องมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้ผู้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากกองทุกต่างๆได้เพรารรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของที่วิเศษเหนือกว่าของทั้งปวงในโลกนี้ลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง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 ต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นอย่างยิ่งถึงกับต้องกำหนดวันพระขึ้นมา <c oughs> กำหนดวันธรร ม, มัสาวาณขึ้นมาวันพระแปลว่าวันธรรมมสวนณะวันธรรมมสวนณะแปลว่าวันฟังธรรมสมัยพุทธกาลนี้มีวิธีศึกษาธรรมะได้เพียงทางเดียวคือการฟังธรรมไม่เหมือนสมัยปัจจุบัน เรา ม, มีวิธีศึกษาธรรมะได้หลายวิธีฟังธรรมก็ได้อ่านหนังสือธรรมะก็ได้เปิดวิดีโอดูธรรมะก็ได้เปิดซีดีฟังธรรมะก็ได้วิธีศึกษาของเราในปัจจุบันนี้จะสะดวกง่ายดายกว่าสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธการ จะฟังทำได้ต้องมีเวลาว่างต้องหยุดทํางานถ้าไปทํางานอย่างวันนี้ญาติโยมที่ไปทํางานก็ไม่สามารถมาฟังธรรมกันได้เสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้จะหยุดทํางานในวันพระเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัดกัน เาวัดเพื่อไปรับกุญแจดอกที่หนึ่งเพื่อที่จะเปิดเข้าไปในธนาคารพอเข้าไปในธนาคารได้ก็ต้องไปรับกุญแจดอกที่สองถึงจะเปิดตู้เซฟที่เก็บของมีค่าไว้ได้นี่คือทำไมเราจึงมีวันพระกันวันพระคือวันศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราถ้าไม่ศึกษาจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การศึกษาอย่างเดียวไม่พอเพียงต่อการทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่การศึกษาเป็นการเปิดประตูให้เข้าไปสู่ดูเก็บของนั่นเอง เข้าไปสู่เซฟตู้เซฟที่เก็บของมีค่าไว้ถ้าไม่มีกุญแจดอกแรกก็เข้าไปในธนาคารไม่ได้เมื่อเข้าไปในธนาคารไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดตู้เซฟได้จึงต้องมีกุญแจดอกแรกก่อนต้องมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนสอนวิธีการปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือความสำคัญของวันพระนวันพระนี้ศรัทธาญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะคิดว่าวันพระก็ไปใส่บาตรแต่ความจริงความสำคัญของวันพระไม่ได้อยู่ที่การใส่บาตรไม่ได้อยู่ที่การทำบุญทำทาน เพราะว่าสามารถทำได้เวลาอื่นก็ทำได้แต่เวลาฟังธรรมในสมัยพระพุทธกาลนี้ต้องรอวันพระถึงจะมีเวลาว่างไปฟังเทศฟังธรรมได้สมัยก่อนไม่มีหนังสือให้อ่านที่บ้านไม่มีทีวีให้ดูไม่มีวิดีโอให้ดูไม่มีแผ่น mp3 สหรือไม่มีฝัด r i v e ให้เรา ฟังกันได้ทุกที่ทุกแห่งต้องไปที่วัดเพียงแห่งเดียวจึงต้องมีวันพระกันความสำคัญของวันพระคือการฟังเทศฟังธรรมถ้าเรียกว่าวันธรรมสวรรค์แล้วก็ท่งแสดงว่าวันธรรมสวรรนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งคือการได้ฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองพระธรรมคำสั่งคําสอนที่เราเคยได้ยินแล้วพอเราได้ฟังอีกเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับพอบางทีฟังครั้งเดียวอาจจะไม่เข้าใจต้องใช้เวลามานั่งคิดอีกทีหนึ่ง คิดแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็กลับมาฟังใหม่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพระหน้าก็กลับมาฟังใหม่พอฟังหลายหลายหนความเข้าอกเข้าใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเนะพอมีความเข้าอกเข้าใจก็จะได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเอง เหมือนสมัยก่อนนี้คนเราจะมีความเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าโลกนี้แบนอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าไปเห็นว่าโลกนี้แบนเพราะความจริงโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลมเป็นเหมือนลูกฟุตบอลไม่ได้แบนเหมือนโต๊ะโต๊ะที่เรานั่งรับประทานอาหารกัน คนโบราณนี่คิดว่าโลกนี้แบนจึงไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆกลัวจะตกขอบโลกออกไปเหมือนกับพอไปสุดขอบโต้ก็จะตกลงออกจากโต้ไปคนสมัยก่อนจึงไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆกลัวแล้วไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านพอตกขอบโต้นี่ก็ไม่รู้จะกลับเข้ามาได้อย่างไรนี่เป็นความเห็นผิด เพราะความจริงแล้วถ้านั่งเรือไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาสู่ที่เดิมได้โดยที่ไม่ต้องหันเรือกลับมาก็ได้เพราะว่าโลกมันกลมวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาจุดที่เราเริ่มต้นได้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้ามีความเห็นไม่ถูกต้องมันก็ทําอะไรไม่ถูกต้องเช่นถ้าเราไปเห็นหมาเป็นแมวเนี่ย เราไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาแบบแมวก็ไม่ถูกนะเลี้ยงแมวก็เลี้ยงอย่างหนึ่งเลี้ยงหมาก็เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปเห็นแมวเป็นหมาหมาเป็นแมวเดี๋ยวก็เลี้ยงไม่ถูกก็เกิดปัญหาตามมาได้จึงต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องนี้จะเกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆความเห็นที่ถูกต้องที่ที่เรายังไม่เห็นกันคืออะไรเรามักจะเห็นว่าตายแล้วศูนย์พอร่างกายเราตายแล้วเราคิดว่าจบแล้วชีวิตของพวกเราไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไป เพราะเวลาเราเห็นคนตายเวลาตายไปแล้วก็เอาไปเผาหรือเอาไปฝังก็กลายเป็นดินกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วมีอะไรตามมาไม่มีแล้วชีวิตจบที่ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกับคนโบราณที่ไปเห็นว่าโลกนี้แบนนั่นเองเพราะความจริงชีวิตของเรา ไม่สิ้นสุไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคืออะไรส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เราเห็นกันนี่แหละคือร่างกายแต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สองที่เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นกัน เพราะเป็นส่วนที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นนั่นเองส่วนที่สองนี่เราเรียกว่าจิตใจหรือใจส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ไม่ตายไปกับร่างกายส่วนนี้แหละที่ไปต่อไปเกิดต่อไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในนรกไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้คือส่วนนี้ คือจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันเมื่อเรามองไม่เห็นกันแล้วถ้าไม่มีใครมาสอนมาบอกเราก็จะคิดว่าตายแล้วก็จบพอร่างกายตายแล้วก็ศูนย์ทําบุญทําบาปมาก็ไม่มีใครไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคิดว่าอยู่บนท้องฟ้าก็เดี๋ยวนี้มีจรวด ส่งขึ้นไปค้นหาดูก็ไม่เจอสวรรค์บนท้องฟ้านากคิดว่าอยู่ใต้ดินก็มีการขุดเจาะลงไปก็เจอแต่น้ำมันไม่เจอนากก็เลยทำให้ไม่เชื่อเรื่องนากเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องของการตายแล้วเกิดใหม่เพราะว่าผู้ที่ไปเกิดใหม่นี้มองเรามองไม่เห็นกัน นี่คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าเราไปมีความเห็นที่ผิดการกระทำของเราก็จะผิดคือเราก็จะไม่กลัวกับการกระทำบาปเพราะเราคิดว่าอย่างมากถ้าทำบาปอย่างมากก็แค่ถูกจับติดคุกติดตารางแล้วถ้าเราเก่งบางทีเราก็สามารถหนีคุกหนีตารางได้ สมัยนี้คนจึงกล้าทำผิดกฎหมายกันเพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดทำกฎหมายแล้วกลบได้ปกปิดได้ถูกจับก็หนีได้เดี๋ยวนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศก็จับไปได้แล้วเขาเลยไม่กลัวบาปกันกล้าทำบาปกันแต่เขาไม่รู้ผลของบาปที่เกิดขึ้นกับเขานี้ มีอยู่ทั้งขณะที่เขามีชีวิตอยู่และขณะที่เขาตายไปแล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ใจที่ทำบาปนี้มันจะร้อนมันจะไม่เย็นมันจะไม่สงบมันจะหวาดกลัวจะวิตกกลัวว่าจะถูกจับได้ไม่ช้าก็เร็วใจก็มีแต่ความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นถ้าเรามองดูที่ใจเราจะเห็นกันเวลาเราทําบาปนี้ใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปโกหกใครไปหลอกลวงใครนี้ใจเราจะไม่สบายเวลาเราไปขโมยข้าวของของใครเขานี่ขโมยมาแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าจะถูกจับได้กลัวจะถูกจับไปลงโทษ น, นี้ผลที่เกิดขึ้นตอนที่ยังไม่ตายเนี่ความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เราที่เราเริ่มทำบาปกันแล้วพอตายไปเนี่ยใจที่มีบาปนี้มันก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆที่เรียกว่าเปรตบ้างอาสุรกายบ้างเรียกว่านรกบ้างหรือถ้าไปเกิดได้ร่างกายก็ไปได้ร่างกายของ ของสัตว์เดรัจฉานนี่แหละคือที่ไปของผู้ที่ทำบาปแต่ถ้าเราไปมองที่ร่างกายเราก็จะคิดว่าไม่มีใครไปรับผลบาปเพราะคนที่ทำบาปคือร่างกายตายไปแล้วก็เขาก็ไม่จับเข้าไปติดคุกติดตารางเขาก็าไปฝังเอาไปเผาแล้วใครละ่ะไปรับผลบาป ใครไปตกนรกใครไปเป็นเปรตใครไปเกิดเป็นเดลอาชานอันนี้ก็เลยทําให้คนที่มองไม่เห็นผู้ที่ไปรับผลบาปนี้ไม่กลัวบาปกันกล้าทําบาปกันเพราะอยากจะมีความสุขเพราะการทําบาปนี้มันทําให้รวยเร็วรวยง่ายรวยมากถ้าไม่ทําบาปนี้รวยช้ารวยยาก แล้วก็รวยน้อยคนถึงนิยมทำบาปกันนิยมขาะช่อโกงกันคอร์รัปชันกันไม่ว่าไปประเทศไหนไม่ใช่แต่ประเทศนี้ประเทศเดียวทุกประเทศนี้เหมือนกันหมดคอร์รัปชันนี้เต็มไปทุกแห่งทุกคนเพราะเป็นวิธีที่หาเงินได้ง่ายได้มากได้เร็วเพื่อที่จะได้เอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆ ซื้อข้าวของต่างๆแต่มันก็เป็นความสุขเดี๋ยวๆเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่ไปลบล้างความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปได้และไม่สามารถยับยั้งผู้กระทาคือใจนี้ให้ไปรับผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้แหละคือ วิชาทิฏฐิที่เราถ้าไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเรานี้ไม่ได้มีอยู่เพียงร่างกายเท่านั้นเรามีสองส่วนเรามีร่างกายและมีจิตใจและส่วนที่สำคัญของเราก็คือจิตใจเพราะจิตใจเป็นส่วนที่ไม่ตาย เป็นส่วนที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเป็นส่วนที่จะต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหมนะ่นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมถ้ายังไม่เคยได้ยินเรื่องของจิตใจก็จะได้ยินนี่ว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองถ้าเคยได้ยินเรื่องจิตใจมาแล้วพอมาฟังเทศฟังธรรมอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เห็นภาพขึ้นมาว่าอ๋อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปนี้ยังมีผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปต่อไปคือผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิด เป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี่แหละเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญไปทำบาปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบุญทำบาปที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือผู้ที่กระทำคือใจผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปทำเหมือนกับเวลาที่ ไปฆ่าคนด้วยอาวุธปืนอย่างนี้เวลาตำรวจจับเขาไม่จับปืนนะทั้งๆที่ปืนนี่แหละเป็นผู้ที่ทำให้คนตายแต่เขาไปจับคนที่ใช้ปืนคนที่สั่งให้ปืนไปฆ่าคนอีกทีหนึง่งผู้ที่สั่งนี่แหละคือผู้ที่กระทำบาปไม่ใช่ผู้ที่รับคำสั่ง เวลาตำรวจจับเขาไม่จับปืนไปขังคุกขังตารางเขาจับคนที่ใช้ปืนนี่ไปขังคุกขังตารางไปลงโทษเช่นเดียวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเขาไม่จับร่างกายไปลงโทษเขาจับจับจิตใจไปลงโทษจะส่งให้จิตใจนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ ถ้าทำบุญก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีตายไปก็ได้ไปสวรรค์ต่อไปเป็นเทวดาแต่ถ้าทำบาปก็จะมีความทุกข์มีความร้อนใจขึ้นมาทันทีแล้วเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุ ร, รกายบ้างไปตกนรกบ้าง ผู้ที่ไปนี้คือจิตใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เป็นผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่จะสามารถมองเห็นได้จึงทำให้เราไม่รู้ว่ามีผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปแต่ถ้าได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องว่า ทำบุญไปสวรรค์นะทำบาปไปนรกนะตายไปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีถ้าทำบุญก็ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วพอหมดบุญหรือหมดบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปใหม่อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้ การมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกและไม่ได้เป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทำความเข้าใจไว้ความเห็นที่ถูกต้องก็คือการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ไม่รู้ว่ากี่แสนล้านครั้งแล้วการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดมาหลายครั้งจนนับไม่ได้จำนวนของการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ จะวัดได้ด้วยการเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชะในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้มาเกิดเป็นมนุษย์เคยร้องไห้หรื อ, อยังเคยเก็บน้ำตาไว้บ้างไหมวันร้องลองเก็บน้ำตาไวด้ดูพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำตาที่พวกเรามาร้องกันนี้ในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี้ มันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเชื่อไหมนั่นแหละเคยจำนวนของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราไม่ได้เกิดเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่แสนล้านคูณด้วยแสนล้านครั้งคิดดูจะล้องล้องให้มากกี่ครั้งถึงจะทำให้มีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร นี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วร่างกายตายไปใจก็ไปรับผลบุญผลบาปต่อถ้าบาปมีมากกว่าบุญก็ไปรับผลบุบาปในอบายในนรกถ้าบุญมีผลมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ แล้วพอบุญกับบาปหมดกำลังไม่สามารถลากเราไปสวรรค์หรือลากเราไปอบายได้ใจก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาทําบุญทําบาปกันใหม่แล้วตายไปก็กลับไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปกันใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบจะจบได้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอ พระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมนี้ได้มาเรียนรู้เรื่องของจิตใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากอะไรทำไมเราจรึงต้องไปเกิดกันใหม่อยู่เรื่อยๆเราก็จะได้รับคำตอบถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าจะบอกพวกเราว่า การที่พวกเรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของพวกเรานี่เองพวกเรามีใครบ้างไม่มีความอยากมีใครอยากดูหนังไหมอยากฟังเพลงไหมอยากไปเที่ยวไหมอยากไปกินอยากไปดื่มไะอยากมีแฟนไหมทำไมต้องมีพวกนี้ด้วยทำไมอยู่เฉยๆไม่ได้ทำไมต้องอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่น มันมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพราะความอยากนี่แหละมันถึงพาให้เราต้องมามีร่างกายกันเพราะถ้าอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสกับอากาศหนาวหรือร้อนก็ต้องมีร่างกายอยากจะสัมผัสกับของนุ่มของแข็งก็ต้องมีร่างกายให้สัมผัส นี่คือความอยากนี้แหละที่พาให้พวกเราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราไปใช้ผลบุญใช้ผลบาปเสร็จแล้วเราก็จะมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่พอพ่อแม่คนใหม่แต่งงานกันปับ๊บร่วมหลับนอนเข้าห้องหอกันปับ๊บไปเสพด้ามพึ่งพระจันทร์กันปับ๊บเดี๋ยวก็มีร่างกายอันใหม่ โผล่ขึ้นมาพอมีร่างกายอันใหม่โผล่ขึ้นมาใจของเราก็ไปรอรับไปจองจับจองทันทีไปเกาะติดไว้เลยไปติดไว้เหมือนกับรถพ่วงรถนี้เป็นเหมือนรถพ่วงชีวิตของพวกเรานี้เป็นเหมือนรถพ่วงมีร่างกายกับมีจิตใจมาเกาะติดกันเกาะติดกันตอนที่เริ่มมีร่างกายในท้องแม่ แล้วก็จะติดกันจนออกมาจากท้องแม่เวลาออกมาจากท้องแม่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจนถึงวันตายเป็นเหมือนแฝดสยามเคยเห็นแฝดสยามคนที่เกิดมาแล้วร่างกายติดกันสองคนเด็กสองคนเกิดมาแล้วร่างกายติดกันสมัยก่อนอินกับจันนี่ต้องอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันตาย เพราะสมัยก่อนเขาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะผ่าที่จะแยกร่างกายที่ติดกันนี้ให้แยกออกจากกันได้ก็เลยต้องอยู่คู่กันไปจนวันตายสมัยนี้มีความรู้ความสามารถที่สามารถที่จะแยกร่างกายที่ติดกันนี้ให้แยกออกจากกันได้ ให้อยู่กันแบบไม่ต้องอยู่ติดกันได้แต่สมัยก่อนทําไม่ได้จิตใจของพวกเรากับร่างกายก็เหมือนกันเป็นเหมือนแฝดสยามเหมือนติดกันตั้งแต่ตอนที่ตั้งท้องอยู่ในท้องแม่ดวงจิตที่ไม่มีร่างกายที่ต้องการร่างกายก็มาเกาะติดกับร่างกายที่กําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา แล้วก็ติดกันมาออกจากท้องแม่ก็ติดกันมาโดยที่จิตใจนี้เป็นผู้สั่งเป็นเจ้านายส่วนร่างกายนี้เป็นผู้รับใช้จิตใจจะสั่งให้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เสร็จอยู่เรื่อยๆตั้งแต่นอนอยู่ในเปรก็สั่งแล้วร้องไห้ร้องขอน่นขอนี่ ไม่มีอะไรดูก็ร้องเดี๋ยวพ่อก็ไปหาพ่อแม่ก็ไปหาตุ๊กตาให้มาดูให้มาเล่นพอไม่ได้ยินเสียงก็เหงาก็ร้องเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องไปหาของเล่นที่มีเสียงมาให้ฟังนี่เพราะความอยากเวลาเกิดความอยากในใจแล้วมันจะทรมานใจถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้เด็กมันจึงร้องกันร้องเพราะว่ามันทรมานใจ มันอยากดูรูปไม่มีรูปให้มันดูแต่พอไปเอาตุ๊กตามาให้มันดูให้มันเล่นมันก็หายร้องพออยากได้ยินเสียงพอมีอะไรมาให้ฟังมันก็หายร้องนี่คือความอยากอยากกับรูปเสียงกลิ่นนอสผดถะภาษาพระเราเรียกว่ากามปันหาความอยากเสพกาม กามคือกามคุณห้ากามคุณห้าคือรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะที่เราเสพด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละทาไมเราจึงต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะได้นั่นเองเราจึงมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆ พอมาเกิดแล้วเราก็เลยมาทำบุญทำบาปกันส่วนใหญ่มักจะทำบาปมากกว่าทำบุญเพราะบุญมันทำยากกว่าทำบาปเพราะเหตุใดเพราะเวลาเราเกิดมานี่เราไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเราไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองที่จะเอาไปทำบุญได้เราเลยมักจะไปทำบาปกันเพราะเราอยากได้ข้าวของเงินทองกันถ้าใจร้อนไม่รอให โตขึ้นไปเรียนหนังสือมีงานทำมีเงินซื้อของก็มักจะไปขโมยกันก่อนนะดังนั้นการมาเกิดของพวกเรานี้เรามักจะมาทาบาป ก, กันก่อนที่เราจะไปทำบุญกันเวลาจะทำบุญนี่ก็ช่วงที่เรามีข้าวของเงินทองมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้พอมีเหลือกินเหลือใช้ เราก็เกิดมีความใจกว้างขึ้นมาอยากให้เพื่อนฝูงมีความสุขบ้างบางทีก็จัดงานปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงเชิญเพื่อนฝูงมากินมาเดืบกันหรือมีข้าวมีของอะไรก็ซื้อมาฝากกันมาให้กันเพราะอยากให้เขามีความสุขเพราะการทำให้เขามีความสุขก็ทำให้เรา มีความสุขขึ้นมา น, นี่คือพอเรามาเกิดแล้วเราก็จะมาทำตามความอยากกันพอเราไม่สามารถทำตามความอยากโดยวิธีไม่ได้ทำบาปได้เราก็จะต้องไปทำบาปกันเพราะถ้าเราไม่ได้ทำตามความอยากแล้วเราจะรู้สึกทรามานใจหรือถ้าเราโชคดีเกิดมาเป็นลูกคนรวยก็ไม่ต้องไปทาบาป อยากได้อะไรก็ขอพ่อขอแม่ได้พ่อแม่ก็ให้เงินให้ทองมาแล้วถ้าให้มากกว่าที่เราต้องการเราก็เอาไปทำบุญได้นี่พอเรามาเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบุญทำบาป ก, กันทำไปจนวันแก่วันเจ็บวันตายพอตายแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาป ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอบายไปนรกถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์แล้วพอใช้บุญหมดใช้บาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่แหละเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากภายในใจของเราถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ต้องไปมีร่างกายอยู่ ถ้าเราไม่อยากจะมามีร่างกายไม่ต้องการจะมาเกิดเนเพราะการเกิดมันเป็นทุกข์เกิดแล้วต้องดินน้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหลบคอยหลบภัยอันตรายต่างๆแล้วก็ยังต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยีกเนถ้ามองดูดีๆแล้วจะเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขความสุขก็ได้บ้างนานๆที นานๆก็ได้ไปเที่ยวสักครั้งนานๆก็ได้ดูหนังสักทีได้ฟังเพลงแต่ความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้มันเข้ามาแทบทุกวันเดี๋ยวไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นก็ทุกข์กับคนนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ก็ทุกข์กับตัวเองทุกข์กับร่างกายของตัวเองเดี๋ยวร่างกายก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวผมก็งอกขึ้นมาเดี๋ยวหนังก็เหี่ยวขึ้นมา พอเป็นอาการต่างๆเหล่านี้ก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าใช้ความคิดปัญญาดูความจริงจะเห็นว่าการมาเกิดนี้ไม่ดียิ่งตอนที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้มันไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายกันแต่ถ้ามาเกิดแล้วไม่มีใครยุดยับย้งความแก่ความเจ็บความตายได้มันเป็นผลที่จะต้องตามมาจากการมาเกิด ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแก่แล้วในที่สุดก็ต้องตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไม่ค่อยเห็นคนเขายิ้มยิ้มแจ่มใสหัวเราะล่าเริงกันเลยเนมีแต่หน้าตาบึง้งตึงเศร้าส้อยหงอยเหงาวิตกกังวลซึมเศร้านี่แหละผลของการที่มาเกิดเป็นอย่างนี้ เกิดก็ขณะที่อยู่เป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์แล้วถ้าตายไปถ้าทำบาป ก, ก็ไปรับผลบาปในอบายบางทีก็ต้องไปเกิดเป็นแมวบ้างเป็นหมาบ้างเป็นนกเป็นกาบ้างนี่แหละคือการมาเกิดถ้าไม่อยากจะมาเกิดต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ต้องหยุดความอยากความอยากเป็นเหมือนน้ามันรถยนต ถ้าอยากให้รถยนต์มันไม่วิ่งทำยงไงอย่าไปเติมน้ำมันนะเดี๋ยวมันวิ่งไปเดี๋ยวมันก็หมดน้ำมันพอน้ำมันมันหมดแล้วจะสตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดแล้วถ้าไม่อยากให้รถมันวิ่งก็อย่าไปเติมน้ำมันวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะหมดพอหมดแล้วทีนี้มันก็ไม่มีวันที่จะวิ่งไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่มีน้ามันคอย ขับให้มันวิ่งให้มันวิ่งไปเรื่อยๆน้ํามันของจิตใจก็คือความอยากนี่ตันหาความอยากความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้มันจะทำให้จิตใจของเราต้องดินไปเรื่อยๆต้องไปหาสิ่งที่เราอยากได้ มีใครอยากได้แล้วเฉยอยู่เฉยเฉยได้ไหมอยากไปเที่ยวแล้วบอกว่าไม่ไปก็ได้อยากจะดูหนังแล้วไม่ดูก็ได้อยากจะมีแฟนก็บอกไม่มีแฟนก็ได้ใครทำได้บ้างไหมถ้าทำได้ก็ไม่ต้องมาเกิดถ้าอยากแล้วไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปก็ไม่ต้องมาเกิดอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบก็ได้อยากดื่มเหล้าไม่ดื่มก็ได้อยากเล่นการพนันไม่เล่นก็ได้ อยากไปช้อปปิง้งไม่ไปช้อปปิ้งก็ได้อยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อรองเท้าก็ไม่ซื้อก็ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องมาเกิดก็ได้แต่ถ้าอยากป๊บแล้วต้องซื้อให้ได้ถ้าไม่ซื้อแล้วจะตายอย่างนี้ต้องกลับมาเกิดแน่แนเพราะว่าการกระทําตามความอยากนี้เป็นการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์คือใจนั่นเองคือเติมความอยาก พราะเมื่อเราทําตามความอยากครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีความอยากครั้งที่สองตามมาเพราะความอยากมันไม่หมดะถ้าทําตามความอยากมันก็จะตามมาเรื่อยๆเห็นไหมดูคนสูบบุหรี่เนี่ยสูบกี่มวนก็ไม่มีมันหมดพออยากจะสูบมวนนี้ก็สูบพอสูบเสร็จแล้วเดี๋ยวความอยากจะสูบมวนที่สองก็ตามมาพอสูบมวนที่สองเสร็จเดี๋ยวความอยากจะสูบมวนที่สามก็ตามมาะ ยถามคนสูบบุหรี่ดูว่าเท่าเขานับจํานวนบุหรี่เนี่ยเขาสูบมากี่พันกี่หมื่นมวนแล้วตั้งแต่ที่เขาเริ่มสูบมาตั้งแต่มวนแรกแล้วถามเขาว่าสูดสูบมาต้องหลายหมื่นมวนแลน้วนี่หยุดสูบหยุดสูบได้หรือไม่เขาก็บอกหยุดไม่ได้เพราะเวลาหยุดแล้วมันทรมานใจแต่พระพุทธเจ้ามีวิธีที่จะทําให้พวกเรา สามารถไม่ทรมานใจได้เวลาที่เรามีความอยากแล้วเราไม่พปทยาตามความอยากถ้าเรามาศึกษาวิธีที่ทำให้ใจเราไม่ทรมานเวลามีความอยากมีความอยากสูบบุหรี่ไม่สูบแต่ไม่ทรมานใจเวลาอยากดื่มกาแฟไม่ดื่มจะไม่ทรมานใจ เวลาอยากจะมีแฟนไม่มีแฟนจะไม่ทรมานใจให้ทำอย่างไรวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทรมานเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาก็คือต้องทำใจให้เฉยๆทำใจให้นิ่งให้สงบที่เรียกว่าสมาธินี่ให้มาทำสมาธิกันมาฝึกสมาธิกันนี่เป็นปนี่คือกุญแจดอกที่สอง ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จุนใจดอกที่หนึ่งก็มาศึกษาว่าอะไรทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเมื่อรู้แล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทํ า, า, า, ทาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่พายเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจสามประการนี้ความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากมีอยากเป็นมีใครอยากไม่มีอยากไม่เป็นมั้งอยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นคุณหญิงอยากเป็นคุณนายเห็นไหมอยากเป็นนายกอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีความอยากกันทั้งนั้นต้องหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าไม่หยุดความอยากเหล่านี้ก็จะกลับมาเกิดมาอยากอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ไม่อยากได้สิ่งที่เราไม่ไม่ชอบนั่นเองคือความอยากไม่เป็นไม่อยากเป็นขอทานมีใครอยากเป็นขอทานมั้งไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากเป็นคนตายนี่ก็คือความอยากอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอยากไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเรายังมีความอยากสามแบบนี้อยู่ในใจของเราเราจะต้องกลับมาเกิด ถ้าเราไม่อยากจะมีความอยากสามแบบนี้เราต้องมาฝืนความอยากกันหยุดความอยากกันเวลาอยากเราต้องบอกว่าไม่เอาก็ได้พออยากจะเที่ยวก็บอกไม่เที่ยวก็ได้พออยากจะดูอะไรก็บอกไม่ดูก็ได้พออยากได้อะไรก็บอกไม่เอาก็ได้ถ้าเราไม่ทําตามความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไป แต่เวลามันไม่ทำตามความอยากแล้วรู้สึกไงทรมานใจไหมเวลาเวลาแฟนไม่อยู่ต้องอยู่คนเดียวนี่เหงาไหมอยากให้แฟนกลับมาเร็วๆไหมนั่นล่ะเพราะว่าพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันทรมานใจมันทนไม่ไหวจะเลิกกับแฟนก็เลิกไม่ได้เพราะรู้ว่าเวลาไม่มีแฟนแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมา มันจะไม่มีแฟนมาให้ความสุขกับเราถึงแม้แฟนจะเลวไล่ยังไงก็บางทีก็ยอมทนเอาทนเอาดีกว่าที่จะอยู่แบบไม่มีแฟนพออยู่แบบไม่มีแฟนแล้วเวลามันเกิดความอยากมันจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเว่์รู้สึกเหมือนว่าจะตายให้ได้คนบางคนฆ่าตัวตายเวลาแฟนตายไปเพราะว่าอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เหงา ทนกับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมนี้จะมาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ทรมานใจได้เวลาที่เราไม่ทำตามความอยากคือมาหัดทาใจให้สงบกันมาฝึกสมาธิกันให้ได้ถ้าเราฝึกสมาธิได้ทาใจให้สงบได้เวลาที่ใจเราเหงาเราก็ไปนั่งสมาธิกัน เวลาที่เราเศร้าเราก็ไปนั่งสมาธิกันเดี๋ยวความเหงาความเศร้าความทรมานใจต่างๆมันก็จะหายไปหมดพอเราไม่ไปทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่ผุ้ขึ้นมามันจะไม่รู้สึกอยากจะมีแฟนมันจะไม่รู้สึกอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันจะไม่รู้สึกอยากจะอมีเป็นนั่นเป็นนี่เอ มันจะอยู่เฉยๆได้มีความสุขได้นี่คือน้ำมันหมดน้ำมันที่ที่คอยมาผลิตความทุกข์ทรมานใจมันหมดมันความอยากมันหมดความทุกข์ทรมานใจต่างๆมันก็จะหายไปหมดทำให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องแล้วพอร่างกาย น, นี้ตายไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ได้ น, นี่แหละคือกุญแจดอกที่สองที่เราจะต้องมาหาให้เจอกุญแจดอกที่หนึ่งนี่เราเจอแล้วคือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาให้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจเพราะฟังหนเดียวบางทีมันไม่เข้าใจ และเรื่องที่จะต้องรู้มันไม่ยังไม่ครบเรื่องที่จะต้องรู้นี่ยังมีอีกเยอะแยะรายละเอียดต่างๆวิธีที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้ทำอย่างไรมีข้อมูลที่เราจะต้องเรียนรู้อีกเยอะแยะอย่างนั้นเราต้องพยายามฟังธทมอยู่เรื่อยๆฟังธทมถ้าไม่รู้เรื่องไหนก็บางทีเดี๋ยวนี้เราค้นหาเองได้ เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถืออยากจะรู้ธรรมะข้อไหนเราค้นได้อยากจะรู้ว่าสมาธิมีแบบไหนบ้างค้นหาได้เขียนเข้าไปกดเข้าไปสมาธิมันก็โผล่ขึ้นมาอยากจะรู้วิธีทาสมาธิทำอย่างไรมันก็จะมีวิธีบอกทมสมาธิโผล่ขึ้นมาเราต้องเรียนรู้วิธีต่างๆที่จะมทมาทาใจของเราให้สงบ ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่ได้กุญแจดอกที่สองกุญแจดอกที่หนึ่งคือการศึกษาพอเราได้กุญแจดอกที่หนึ่งเราก็จะเปิดประตูเข้าไปในธนาคารได้ธนาคารก็มีประตูเวลาจะเข้าไปนี้ต้องผ่านประตูเวลาเขาปิดธนาคารเขาจะล็อกประตูอไว้ถ้าเราอยากจะเข้าไปในธนาคารตอนที่ไม่มีคนอยู่เราก็ต้องมีกุญแจเปิดเข้าไป ต้องมีกุญแจดอกที่หนึ่งเปิดประตูเข้าไปในธนาคารแล้วก็ต้องไปหากุญแจดอกที่สองเพื่อไปเปิดตู้เซฟตู้นิรภัยตู้ที่เก็บข้าวของเงินทองต่างๆไว้ตอนนี้เรามาได้กุญแจดอกที่หนึ่งแล้วแต่ยังอาจจะได้ไม่สมบูรณ์ยังอาจจะเปิดประตูไม่ได้เพราะถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเปลี่ยนครั้งสองครั้ ง, งนี้ยังไม่สามารถที่จะ ไปปฏิบัติไปเอากุญแจดอกที่สองได้เราจึงต้องคอยมาศึกษาอยู่เรื่อยๆว่าการปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบให้ใจไม่สัน่นไม่ให้ทุกข์ทรมานเวลาที่เราไม่ทำตามความอยากนี้จะต้องทำอย่างไรบ้างวิธีที่จะทำใจของเราให้สงบนี้ก็คือต้องทำสมาธิการจะทำสมาธิก็ต้องมีสติ การจะเจริญสติได้ก็ต้องมีเวลาเราจะต้องหยุดทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นเราไปเที่ยวไม่ได้ไปชอปปิ้งไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปนอนกับแฟนไม่ได้ไปกินเลี้ยงไม่ได้ถ้าเราอยากจะมีเวลามาเจริญสติ เราต้องถือศีลแปดเราถึงจะมีเวลาได้คนที่จะมาฝึกสมาธิได้นี้ต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อนถ้ายังถือศีลแปดไม่ได้ก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธินั่นเองเพราะจะเวลาไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินเลี้ยงคนที่ไม่ถือศีลแปด น, นี้กินข้าวเย็นได้แบบทอมาถือศีลแปด น, นี้กินไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ต้องมานุ่งขาวห่มขาว อยู่อยู่กับที่อยู่กับบ้านก็ได้อยู่กับวัดก็ได้ต้องหาที่ที่ไม่มีอะไรมายั่วยุ่นจิตใจให้ไปทำสิ่งต่างๆเพราะเราต้องการเอาเวลามาฝึกสติเพราะก่อนที่จะทำใจให้สงบได้นี้จะจะต้องมีสติก่อนสติจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครต้องอยู่คนเดียว เพราะสติก็คือการมาหยุดความคิดนั่นเองเพราะถ้าเราอยู่กับใครเดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันพูดคุยกันทำอะไรร่วมกันเพราะต้องพูดต้องคุยต้องทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทำสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ เป็นคิดอยากจะดื่มกาแฟาก็ต้องสั่งให้ร่างกายาไปหาน้ำร้อนไปหากาาแฟไปหน้ำตาลไปหานมไปหาถ้วยมาแล้วต้องใช้ความคิดแต่ถ้าใช้ความคิดใจก็จะไม่มีสติใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบสติที่เราต้องการนี้คือสติที่หยุดความคิดถ้าไม่หยุดความคิดใจก็จะไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิ ถ้าใจไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิเวลาเจอความอยากก็จะสั่นขึ้นมาจะทรมานขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีความนิ่งเวลาหยุดความอยากใจจะไม่สั่นนี่คือขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัติเนี่ยขั้นตอนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้เราต้องไปฝึกสติก่อนเราต้องควบคุมความคิดยึก หยุดความคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วต้องทำทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยเราถึงจะสามารถมีกำลังที่จะไปนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบได้ยังไพอเราตื่นตาขึ้นมาพอเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหยุดมันวิธีหยุดมันก็คือเราต้องใช้พุโทโธที่เป็นตัวที่จะทาให้มีสติที่จะหยุดความคิดได้ เราต้องมาหัดท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปภายในใจพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาพอจะคิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ทำ น, นทำนู่นทำนี่ก็หยุดมันเลยพุโทโธพุธโทโธให้มันคิดแต่เรื่องที่ต้องคิดในขณะนั้นเช่นต้องเข้าห้องน้ำอ่ะก็ไปเข้าห้องน้ำต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำต้องแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าวหวีผมก็ให้คิดเฉพาะเรื่องที่ต้องทำเท่านั้นเอง แต่ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่ยังไม่เกิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยคิดถึงคนนั่นคิดคนถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหยุดหมดถ้าเราต้องการมาฝึกสมาธิต้องการทําใจให้สงบพอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องพุทโธพุทโธเลยเพราะถ้าเราพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ อันนี้คือวิธีฝึกสติเราจะฝึกได้เราต้องอยู่คนเดียวต้องมีเวลาว่างไม่ไปทำงานทำการไม่ไปเที่ยวไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายจึงต้องมาถือศีลแปดถ้าไม่ถือศีล8ปดเดี๋ยวเราก็เกเรเรามักจะไม่ชอบบังคับตัวเอง พออยากจะทําอะไรก็จะทําทันทีแต่ถ้าเรามาถือศีลแปด น, นี้เราเหมือนกับมีอะไรมาบังคับเราเรามีศีลมาบังคับเราพอเราจะทําอะไรปั๊บเราบอกเอ๊ะไม่ทําไม่ได้นะเราถือศีลอยู่นะอันนี้จึงต้องถือศีลแปดกันและก่อนที่จะถือศีลแปดได้ก็ต้องถือศีลห้าให้ได้ก่อนถ้าถือแปดข้อไม่ถือห้าข้อไม่ได้ไไดจะไปถือแปดข้อได้อย่างไร ถ้าถือแปดข้อห้าข้อไม่ได้ก็ต้องเอาสี่ข้อให้ได้ก่อนสีไม่ได้ก็เอาสามก่อนถ้าไม่ได้เลยก็เอาสักข้อหนึ่งก่อนก็ได้สีลห้าข้อนี้เลือกเอาข้อไหนก่อนที่ง่ายที่สุดสาหรับเราไม่ดื่มโุราถ้าง่ายสำหรับเราก็อย่าดื่มโุราพอถือสิลได้หนึ่งข้อแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นสองข้อข้อที่สองอะไรดีพูดปดประพฤติผิดประเวณี รักทรัพย์ฆ่าสัตว์เลือกเอาต้องพยายามหัดรักษาเพราะการรักษาศีลเป็นการหักห้ามจิตใจนั่นเองหักห้ามความอยากการจะทำอะไรผิดนี่เราต้องมีความอยากก่อนไปตบยุงตบทำไมต้องตบยุงเพราะอยากให้ยุงมันตายเพราะเวลามันตายแล้วมันจะได้มไม่มากัดเราแต่ถ้าเราถือศีลตบไม่ได้ก็ยอมให้มันกัด คิดว่าบริจากเลือดไปก็แล้วกันเดี๋ยวเดียวพอมันดูดเลือดไปเสร็จมันก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วไม่ถึงนาไม่ถึงนาทีหนึ่งพอยุงพอยุง่งเกาะปับก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเดี๋ยวพอเลือดเต็มท้องมันมันก็หยุดแล้วมันก็บินไปแล้วเมื่อวามันก็จะไม่มายุ่งกับเราเอีกต่อไปเราต้องมาฝึกห้ามจิตใจของเราด้วยการถือศีล ถ้าเราไม่ถือศีลเราพออะไรมาปุ๊บมาพออยู่มาเกาะปุ๊บมือก็ตบพวกเลยอันนี้คือการหักข้ามจิตใจหักห้ามความอยากต่างๆต้องเริ่มที่ศีลก่อนลงมาหัดที่ศีลห้า อ่าขอสุราถ้าง่ายที่สุดถ้าไม่ดื่มสุราหรือดื่มน้อยก็ลองเลิกดื่มสุราดูตอนเย็นก็อย่าดื่มสุราเพื่อนมาชวนดื่มก็ไม่ดื่มไปงานเลี้ยงก็ขอดื่มน้ำเปล่าแทนขอดื่มน้ำส้มนึ่น้ำเป๊ปซี่แทนก็ได้แต่อย่าดื่มสุราอันนี้เป็นเราต้องมาหักหักห้ามจิตใจของเราเราถึงจะสามารถไปหักห้ามขั้นขั้นสีลแปดได้ ต้องห้ามตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปก่อนเอาศีลข้อที่ห้าก่อนแล้วสาศีลข้อที่สามข้อที่สี่ง่ายง่ายกว่าเพราะเวลาไม่ไม่พูดปดนี่ง่ายจะตายไปผุบ ป, ปากสิมันก็ไม่พูดปลดละเวลาใครถามอะไรเราจะต้องโกหกก็อย่าพูดมันเท่านั้นเองมันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเท่านั้นเองพูดเรื่องอื่นก็ได้ ถ้าก็ถามเรื่องนี้แล้วเราตอบไม่ได้ล้วก็พูดเรื่องดินฟ้าอากาศไปก็ได้บอกว่วันนี้ร้อนเหลือเกินทำยังไงดีถึงจะหายร้อนพยายามเลี่ยงไปอย่าไปพูดเรื่องที่เราจะต้องโกหกหรือแ ม, ม้ก็อย่าพูดเฉยๆหาพระสตเตอร์มาปิดติดปากไว้ก็นดาแล้วเราจะทำข้อข้อตอบไปได้อ่าข้อห้าเลิกได้แล้วก็ข้อสี่ ไม่พูดตัวอย่างก็ไม่ไม่ผิดศีลละข้อสามถ้าเรายังไม่มีแฟนก็อย่าไปมีแฟนถ้ามีแฟนก็ต้องเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นคู่ครองกันอย่าไปมีหลายๆคนอย่างนี้เรียกว่าผิดศีลขอ้ขอสามศีลข้อสามนี้ให้ให้มีถูกต้องตามประเพณี การมีแฟนถูกต้องตามประเพณีก็คือต้องแต่งงานกันต้องมั่นกันเป็นที่รับรู้กันเป็นที่ยินยอมกันของท้องทุกฝ่ายของฝ่ายบิดามารดาของเขาและของเราปัญหามันจึงไม่มีมันจะไม่มีอะไรตามมาถ้าอยู่แบบผิดประเพณีเดี๋ยวปัญหาตามมาเดี๋ยวพอมีลูกมีเต้าก็ทิ้งกันไม่รับผิดชอบกัน ทิ้งให้ปู่ย่าตายายต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่ออีกเป็นปัญหาเป็นปัญหาของสังคมต่อไปเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ดูแลรับผิดชอบเด็กก็จะอยู่แบบเด็กอนาถาอยู่แบบเด็กเกเลไม่มีใครอบรมสั่งสอนแล้วต่อไปก็จะกลายเป็นภาระของสังคมเป็นอาชญากรเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไป สินข้อที่สามก็คือเนี่ยอย่าประพฤติผิดประเวณีอย่างมีแฟนอย่างมีครอบครัวก็แต่งงานกันให้ถูกต้องตามหลักประเวณีเพราะเมื่อมันแต่งงานกันแล้วมันจะได้มีความรับผิดชอบต่อกันและกันถ้ามันอยู่แบบไม่แต่งงานเดี๋ยวเวลามันเบื่อกันมันก็ทิ้งกัน ภาระมันก็ทิ้งมันไม่มีใครอยากจะเอาภาระหรอกพอมีลูกปีเต้าต้องเลี้ยงดูลูกเต้ามันก็ไม่อยากจะเลี้ยงดูกันนะแต่ถ้าเป็นครอบครัวเป็นการแต่งงานกันเอมันก็ต้องรับผิดชอบกันนะก่อนที่จะแต่งงานก็ต้องคิดก่อนให้รอบคอบ ว, ว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบกับภาระหน้าที่ของการมีครอบครัวหรือไม่เนี่คือศีลค้อต่างๆที่พวกเราจะต้องพยายาม หัดรักษาให้ได้รักษาศีห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีห้าได้แล้วก็จะมีกำลังที่จะไปรักษาศีลแปดได้สี่แปดถ้ายังรักษาไม่ได้แปดข้อเก้เาหกข้อก่อนก็ได้เอาข้อที่หก่อนหัดอดข้าวเย็นอดมือนึงไม่ตายหรอกกินเผื่อไว้ก่อนก็ได้กินตอนกลางวันเยอะๆเหมือนเติมน้ำมันรถยนต์อะทองเราก็เหมือนถังน้ำมันอะ ถังน้ํามันเวลาเติมน้ํามันทำไมไม่ไม่แบ่งเติมทีละสองสามครั้งะ่ะเราเติมทีนึงก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยจะได้ไม่ต้องแวะเติมบ่อยๆท้องเราก็เหมือนกันก็กินให้มันเต็มท้องไปทีเดียวเลยไม่ดีเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยเติมบ่อยๆนะฝึกมันอยู่ที่การฝึกเท่านั้นเองถ้าเรากินเพื่อร่างกายกินเพื่อเติมน้ํามันนกินหนึเดียวก็พอ เราไมมันเต็มที่แต่ถ้าเรากินเพื่อรสชาติเพื่อความรอร่อยอร่อยเพื่อความสุขมันอยากจะกินบ่อยๆไม่ใช่วันละสามื้อว่าสามือาม้อเรายังมีระหว่างมื้ออีกมีก่อนนอนอีกเนี่ยเดี๋ยวก็อยากจะขบไอ้นั่นเคี้ยวไอ้นี่เดี๋ยวอยากจะดื่มไอ้นู่นดื่มไอ้นี่นี่เรียวกว่าดื่มตามความอยากเขาเรียวกว่ากามาตันหาถ้าเรารับประทานตามความต้องการของร่างกายรับประทานครั้งเดียวก็พอเอาให้มันเต็มที่เลย เอาสามมื้อมารวมกันเป็นมื้อเดียวแปลมให้มันเต็มถังไปเลยแล้วรับรองได้ว่าร่างกายไม่ตายไม่หิวด้วยที่หิวไม่ได้หิวที่ร่างกายหิวที่จิตใจจิตใจมันหิวด้วยความอยากของพวกนี้เราฝึกได้นะฝึกรักษาศีหน้าแล้วก็มาฝึกรักษาศีแปด มารักษาศินแปดได้ก็ต่อไปก็จะมามีเวลามาฝึกสติได้มาพุโทโธพุโทโธได้มาคอยควบความคิดหยุดความคิดได้พอ ค, ควบคุมได้นั่งสมาธิก็จะนั่งได้ถ้าควบคุมไม่ ไ, มได้นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากจะลุกแล้วแต่ถ้าควบคุมได้จะไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะรู้สึกสงบง่ายสงบเร็วแล้วจะนั่งแล้วจะมีสมาธิต่อไป พอมีสมาธิแล้วทีนี้ก็ไปสู้กับความอยากได้อยากอยากจะเลิกความอยากชนิดไหนก็เลิกได้อยากจะเลิกกาแฟก็เลิกได้อยากจะเลิกบุหรี่ก็เลิกได้อยากจะเลิกสุราก็เลิกได้อยากจะเลิกเที่ยวก็เลิกได้อยากจะเลิกมีแฟนก็เลิกได้เพราะใจจะไม่ทรมานที่คนเลิกกันไม่ได้เพราะมันทรมานเพราะไม่มีสมาธิไม่มีเครื่องที่จะทาให้ใจนิ่งให้สงบไม่ทรมานใจนั่นเอง ดังนั้นพอเรามีสมาธิแล้วเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้ถ้าเรามีปัญญาบอกเราว่าความอยากไม่ดีอย่าไปทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเราต้องเลิกความอยากทุกชนิดพอเลิกได้แล้วใจก็เหมือนกับรถที่ไม่มีน้ำมันพอรถไม่มีน้ำมันรถมันก็ต้องจอดมันไปวิ่งไปไหนต่อไม่ได้ ใจที่ไม่มีน้ํามันคือความอยากมันก็จะจอดที่จอดของใจที่ไม่มีน้ํามันเรียกว่านิพพานนี่เองนิพพานคือที่จอดรถที่จอดของจิตใจที่ไม่มีน้ํามันที่จะพาให้มันไปเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่นิพพานเป็นจิตใจที่ไม่มีน้ํามันที่จะวิ่งไปไหนมาไหนที่จะไม่ไม่ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไป นี่แหละเกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อจะเอากุญแจดอกที่หนึ่งพอได้กุญแจดอกที่หนึ่งเราก็จะได้ไปหาดอกกุญแจดอกที่สองพอได้กุญแจดอกที่สองเราก็จะเปิดตู้เซฟได้เปิดเอาสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้เราก็จะได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป ไม่ต้องมาร้องไห้จนกระทั่งมีน้ําตามากกว่าน้าําในมหาสมุทรแต่ถ้าเราไม่มห า, ากุญแจดอกที่หนึ่งเราก็จะไม่ได้กุญแจดอกที่สองเพราะไม่ได้กุญแจดอกที่สองเราก็จะไม่ได้ของมีของอันร่าค่าจากพระพุทธศาสนาเราจึงต้องมีการศึกษาธรรมะกันอยู่เรื่อยๆสมัยนี้ไม่ต้องรอวันพระแล้วเดี๋ยวนี้ศึกษาได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงทุกวันทุกที่ ถ้ามีมือถือเปิดมือถือปั๊บต้องการธรรมะข้อไหนก็เขียนเข้าไปเลยต้องการสมาธิก็เข้าไปเลยต้องการสติก็ใส่เข้าไปเลยแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราอ่านจนเราเกิดความเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรต้องศึกษาก่อนถึงจะรู้จักวิธีปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลที่ตามมาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์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 อิทิฏังปฏทิ่างตุมหังคิปะเมวังสมิตจัตุสัพเพปเรนตุสังกบา จันโทปนะหราโสยทามณิโชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานาสีริสะนิจจังุทาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลุวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จากเฟซบุ๊กสี่ร้อยสามสิสี่ปดสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ส8มสิบแปด ผูรับฟังบนเขา66รวม619ท่านค่ะวันนี้ยูท b e ขาดไปครึ่งชั่วโมงนะค่ะดุดไปครึ่งชั่วโมงดี Facebook ไม่ดูดนะ c ฟ b o o k กเลยเยอะคนเลยเข้าไปเฟซเยอะ400กว่าก็อย่างนี้แหละอานิจังวิ่งไปวิ่งมาจึงมีเครื่องสำรองไหมมี YouTube Facebook ่ย อันใดอันหนึ่งเป็นอะไรก็ยังมีตัวสำรองอยู่เหมือนเครื่องบินเขก็มีเครื่องไอพ้นสองเครื่องถ้ามีเครื่องเดียวถ้าหยุดก็หยุดเลยอันนี้ถ้าหยุดเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็ยังทำงานต่อได้ใครมีคำถามอยากจะถามธรรมะก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่ข้อดา่าเขียนเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวจะมีคนอ่านให้ถ้าไม่มีใครอยากจะถามตอนนี้ก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนค่ะคำถามจากคุณชุติมากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ การดูเวทนาทางกายว่ากายร้อนเนื่องด้วยหน้าร้อนปีนี้ค่อนข้างแรงแต่ใจดูสงบสติพทุทโธเช่นนี้เรียกว่าดูรู้เวทนาทางกายได้หรือไม่เจ้าคะคือให้รู้ว่าเวทนาทางกายมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเหมือนดินฟ้าอากาศร่างกายมันร้อนเพราะดินอากาศมันร้อน เราสั่งอากาศไม่ได้สั่งอากาศให้มันเย็นไม่ได้สั่งได้ก็แบบชั่วคราวแบบเข้าไปในห้องปรับอากาศแต่ถ้าเกิดไฟดับมันก็สั่งไม่ได้เหมือนกันเห็นต้องพิจารณาให้รู้ว่าเวทนาทางร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็บางทีก็ควบคุมได้บางทีก็ควบคุมไม่ได้เวลาควบคุมไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพ อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะความอยากนี่มันจะเป็นตัวสร้างความทรมานใจความอยากนี้เราเรียกว่าวิภาวะตัณหาคือความไม่ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากให้มันหายไปก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาฉะนั้นอย่าให้เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาเพราะเกิดแล้วมันจะทำให้ทุกข์ทรมานใจ ดังนั้นวิธีจะทำให้วิตภาวะตัญหาไม่เกิดก็คือใช้สติควบคุมความคิดความอยากพุทโธพุทโธไปหรือนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วความร้อนก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเป็นปัญหากับร่างกายร่างกายถ้าร้อนมากๆก็ต้องหาอะไรมาบรรเทามัน ดื่มน้ำมากๆช่วงอากาศร้อนนี่ก็ว่าต้องดื่มน้ำให้มากๆเดี๋ยวมันขาดน้ำแล้วเดี๋ยวมันช็อกได้ยังงั้นก็ต้องต้องรู้ว่าสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้สิ่งที่ทําไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายเพราะความอยากให้มันหายนี้เป็นตัณหาวิภาวะตัณหาจะทําให้ทุกทรมานใจ นี่คือการดูเวทนาต้องดูให้เข้าไปถึงตัวตัณหาเพราะตัณหามันจะมาเกี่ยวข้องกับเวทนาทุกครั้งเท่าเจีวสุ ข, ขเวทนาก็ตัณหาก็อยากให้มันสุขไปนานๆนะพอมันไม่สุขปั๊บก็ทุกข์ขึ้นมาอีกล่ะพอพอสุ ข, ขเวทนาหายไป ยังไม่ทันทุกขเวทนาเลยเพียงแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีความอยากให้มันสุขไปเรื่อยเรื่อยเห็นเราก็ต้องดูว่าเวลามันไม่สุขก็ต้องรู้ว่ามันไม่สุขแล้วก็อย่าไปอยากให้มันสุขถ้าอยากให้มันสุขแล้วมันไม่สุขมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกขทางใจก็อย่าไปอยากให้มันสุขอยู่กับมันไปแบบไหนมันมีอยู่สามแบบเวทนา ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันสลับกันไปสลับกันมาเรียกว่าอันนี้จังไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนั้นตาควบคุมบังคับมันไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็ควบคุมได้บางเวลาก็ ค, บคบวคบคุมไม่ได้เวลาที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องทำใจอย่าไปอยากเราจะไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ความอยาก นี่คือการการพิจารณาเวทนาเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นอริยสัจสีเห็นว่าทุกใจเกิดจากความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องอย่าไปอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยการใช้มรคือปัญญาสอนว่า เวทนามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของมันไปตามเรื่องของมันเราไปสั่งมันไม่ได้เสมอไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หัดอยู่กับมันไปหัดอยู่กับสุขหัดอยู่กับทุกข์หัดอยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์ไปวิธีที่จะอยู่กับเวทนาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องมีอุเบกขาเห็นต้องมาฝึกอุเบกขาให้มีมากๆแล้วพอมีอะไรมาก็เฉยๆไป แล้วจจะไไมมม่่ทุกรานใคําถามจาคุณธนัทการทําหมันหมาแมวเป็นบาปถ้าเรามีความจําเป็นคือเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วแล้วถ้าที่เราเคยทํามาก่อนหน้านี้ควรจะทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะไม่รู้ว่าใครไปบอกว่าเป็นบาปบาปข้อไหนล่ะถามดูเนี่ยมันมีห้าข้อฆ่าสัตว์หรือเปล่ารักทรัพย์หรือเปล่าประพฤติผิดประเวณี้หรือเปล่าโกหกหรือเปล่า เดื่มสุราหรือเปล่าถ้ามันไม่มีอยู่ในห้าข้อนี้ห้าข้อนี้มันไม่บาปแล้ว <c oughs> ทำมันไม่ได้ไปฆ่าใครแต่มันก็ไม่บาปอืยังไม่ต้องไปกังวลทําได้บุญแล้วเหรอคำถามนึงค่ะจากคุณทีเอม็มการทําบุญถ้าทําที่เดียวด้วยปัจจัยจํานวนมาก กับการแบ่งปัจจัยกระจายไปทําบุญหลายๆที่อย่างไหนได้อ น, นิสง์ผลบุญมากกว่ากันคะได้เท่ากันะมันอยู่ที่ปริมาณการเสียสละของเราเสียแสนหนึ่งกระจายไปสิบที่ที่ละหมื่นมันก็ได้บุญแสนหนึ่งเหมือนกันทําบุญแสนหนึ่งที่เดียวมันก็ได้บุญแสนหนึ่งเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ สถานที่ก็เป็นเพลงแต่กระจายประโยชน์ให้มันกระจายไปถ้าให้ที่เดียวมันก็กระจุกอยู่ที่เดียวแต่ถ้ากระจายไปมันก็จะได้ไปหลายที่แต่มันก็จะได้น้อยไปตามตามการกระจายไปถ้าจำเป็นจะต้องทำ <ID> ที่เดียวก็ทำที่เดียวไปมันจะได้ได้ได้เต็มที่ถ้าไม่เต็มที่มันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เช่นจะสร้างอะไรนี้มันก็มีราคา ถ้าให้เข้าค่าร้อยละสิบมันก็สร้างไม่สําเร็จถ้าอยากให้มันสาเร็จก็ต้องให้มันร้อยเต็มร้อยไปเลยเออมันจะได้เสร็จเสร็จไปเอราะงั้นการจะกระจายไม่กระจายการจะให้ผู้รับนี้ต้องดูเหตุผลว่า เ, าเราต้องการผลอย่างไรถ้าเราต้องการผลอย่างนี้เราก็ต้องทําอย่างนี้ถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นเราก็ทําอย่างนั้นเช่นถ้าเราต้องการให้ ได้หลายคนได้รับประโยชน์แบ่งกันเราก็กระจายไปแต่ถ้าเราต้องการให้คนคนเดียวได้รับประโยชน์เพราะจะได้ทำอะไรให้เป็นกอบเป็นกำรรเป็นชิ้นเป็นอันได้ก็ต้องทำกับคนเดียวไปอันนี้อยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเราว่าเราต้องการอย่างไหนแต่บุญที่เราทำได้เท่ากันบุญของเราอยู่ที่การเสียสลามเสียสรามากก็ได้บุญมาก เสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยคำถามจากคุณชวนกราบเรียนถามพระอาจารย์ผู้ป่วยผ่าตัดถูกรวมยาสลบ หมอผ่าตัดโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวด <c oughs> ก็แสดงว่าถ้าร่างกายหมดความรู้สึกชั่วคราวเวทนาเข้าสู่ใจไม่ได้ผู้ที่เข้าฌานได้ความเวทนาของร่างกายทั้งหมดก็ไม่สามารถเข้าสู่ใจได้อาการถูกวางยาสลบกับเข้าฌาน <c oughs> เวทนาต่างกันอย่างไรคบต่างตรงที่ไม่มีสติกับมีสติผู้เข้าฌานนี้มีสติรู้ตัวตลอดเวลา รู้ว่าตอนนี้จิตสงบจิตไม่สงบเนี่ยส่วนผู้ที่นอนหลับหรือถูกนมยาสลบนี้จะไม่มีสติจะไม่รู้ตัวจะไม่รู้ตัวว่าตัวหลับตัวสลบสลายไปจะมารู้ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาว่าอ๋อเมื่อกี้เราหลับเมื่อกี้เราสลบสลายแต่ผู้ที่อยู่ในฌานเขาจะรู้ว่าตอนนี้เราสงบใจเราสงบออืืมมใจเราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายอืม ตต่างงกันรนรี้ <c oughs> คําถามจะคุณปีโกเรียนถามพระอาจารย์สังขารขันที่ทําให้เกิดความคิดไม่ดีออกมาจนติดเป็นนิสัยเราจะมีวิธีเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรครับได้ก็ใช้พุทโธพุทโธเนี่ยเวลามันคิดไม่ดีอยากจะกินเหล้าก็พุทโธพุทโธพุทโธไปทุกครั้งอยากจะกินเหล้าก็พุทโธแข่งกับมันไปถ้าพุทโธชนะต่อไปความคิดไม่ดีมันก็ไม่โผล่ขึ้นมา คำถามจากคุณสายพินการรับประทานเข้าวหมักผิดศีลไหมค ะ, ะถ้าไม่ถือศีลแปดก็ไม่ผิดนะถือศี 5, ลห้าดื่มสุราถ้าเคร่งก็ผิดเนะแต่ถ้าไม่เคร่งก็ดื่มแล้วกินแล้วมันไม่เมากินเป็นอาหารไม่ได้กินเป็นสุราก็ไ ม, ไม่ไม่ผิดเจตนาอยู่ที่เจตนาถ้าต้องการดื่มเพื่อมันเมาคลายความเครียด ให้มีอารมณ์ดีให้อารมณ์สบายต้องดื่มสุรายเงี้แต่ถ้ากินข้าวเมาเพื่อกินให้อิ่มท้องนี้กินแล้วไม่เมาไม่มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจก็ไม่ผิดแต่อยู่ที่ว่ากินมากกินน้อยค่ถ้ากินแล้วเมาถ้ามีเจตนาว่าอยากจะให้จิตใจมันไม่มีสติให้มันเคลิ้มให้มันจะคิดอะไรจะได้ ทำได้ง่ายคนที่ชอบทำบาปนี้ก่อนจะทำบาปมันต้องยอมใจด้วยสุราก่อนเห็นถ้ามันเวลามันมันมีสตินี่มันจะอายหรือมันจะไม่กล้าทำพอไปดื่มสุราแนละ้วมันทำให้สติมันน้อยลงความรู้สึกรับผิดถูกรับผิดชอบดีดีชั่วมันจะน้อยลงมันก็ถึงจะทำได้ แต่ถ้าเชาเข้งๆก็อย่าไปกินมันถ้ายังเอทํําทาถือว่ามันเป็นสุราก็อย่าไปกินมันแต่บางทีถ้าเราไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้เพราะอาหารบางอย่างก็เดี๋ยวนี้ก็มีใส่ไวนเข้าไปหน่อยเอเอเชฟห้าดาวนี้ก็มักจะมีลูกเล่น <laughs> แต่เดือกินเข้าไปไม่รู้ว่ามีรสสุราอยู่ก็ก็ไม่ผิดเนียเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ ตั้งใจจะกินตั้งใจจะดื่มสุราแต่มันมากับอาหาร <c oughs> หมดแล้วเลยถ้าเข้งจริงๆก็ต้องถามทุกจานว่าอาหารนี้มีสุราผสมมาหรือเปล่าก็จะเหนื่อยหน่อยก็เรียกว่าเข้งแข่งแบบเถนตรงปฏิบัติแบบเถนตรงมันก็อาจจะกลายเป็น ปัญหากับคนอื่นได้คนอื่นเขาจะลำคาเนาะโอ้ยอันี้กว่าจะกินนักทียุ่งเหลือเกินมากเรื่องมนหลังไม่เชิญมากินละ <c oughs> น้นให้รู้จักว่าเพราะความพอดีทางสายกลางทางสายกลางก็คือเข่งเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีมันมีทางสายกลางดีที่สุดให้รู้จักทางสายกลางไว้ อยากแข้งจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้บางคนแข้งจนกระทั่งไม่กล้าหายใจเพราะหายใจเดี๋ยวเอาเชื้อโรคถือว่าเชื้อโรคเป็นของมีชีวิตหายใจเข้าไปเชื้อโรคตายเกิดการฆ่าสัตว์ก็ไม่ต้องหายใจแล้วสิขับรถก็ขับไม่ได้เดี๋ยวมดอยู่ก บ, บนถนนเหยียบมันก็ไม่รู้วิ่งไปตอนคืนเปิดไฟเดี๋ยวแมงเมา่ามันก็วิ่งเข้ามาชนก็จกตาย ไม่ต้องทําอะไรอย่างนั้นถ้าถ้าเข่งแบบนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรศีลเราไม่ต้องการให้ถึงเข่งขนาดนั้นให้เราอยู่แบบไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความตั้งใจแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลคําถามจ้าคุณวารีถาวายทองหลวงตาบัวได้บุญอย่างไรคะ ก็ถวายใครถวายเราก็ได้เท่ากันะบุญเหมือนกันถ้าบุญเท่ากันถวายใครก็ได้บุญเท่ากันแต่ที่จะได้เพิ่มก็คือได้ธรรมะไม่เท่ากันถวายหลวงตาก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงตาถวายเราก็ได้ฟังธรรมะจากเราธรรมะของเรากับหลวงตาอาจสู้กันไม่ได้หลวงตาท่านธรรมะใหญ่กว่าธรรมะเราธรรมะน้อยกว่า นี่ถ้าอยากจะได้ธรรมะเยอะก็ต้องไปทำกับหลวงตาถ้าไม่ต้องการธรรมะทำกับเราก็ได้ <laughs> ถ้าต้องการ <laughs> บุญอย่างเดียวคำถามจากคุณแมนเคยบริกรรมภาวนาพุทโธพร้อมกำหนดลมหายใจด้วยทำงานด้วยแต่ตอนนี้ไม่สามารถทำได้เป็นด้วยเหตุที่ขาดสติหรือไม่ครับ มันยากทํางานแล้วมาภาวนานี่มันขัดกันเพราะงานต้องใช้ความคิดภาวนานต้องการหยุดความคิดเนี่ยงนั้นจึงต้องมีวันหยุดมีวันเวลาว่างที่ไม่ต้องทํางานแล้วต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆจะได้มาเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้จิตมันนิ่งได้คําถามจากคุณขจรเรียนถามครับ การภาวนาพุทธโธทุกลมหายใจดูลมหายใจสติต้องตามลมหรือลมหายใจต้องตามพุทธโธครับทำไมการหายใจผิดจังหวะคือมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็ทำได้สองอย่างดูลมไปอย่างเดียวหรือพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ต้องเอามาจับ เป็นคู่กันเป็นแฝดสยามเข้าใจไหมมันยุ่งยากมันดูลมอย่างเดียวก็พอหรือพุโทโธอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็ไม่ต้องดูลมถ้าดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธแต่บางคนเป็นคนที่พิสดารเขาชอบเอามาจับเป็นแฝดสยาม เวลาลมเข้าเขาก็ว่าพุธเวลาลมออกก็ว่าโถมันก็ได้มันเห็นมันก็ไม่เห็นยากเย็นตรงไหนก็ดูสิว่ามันเข้าเวลาเข้าก็ว่าพุธเวลามันออกก็ว่าโธก็เท่านั้นเองไม่ต้องมาผิดจังหวะอะไรการนั่งก็ไม่ให้มาควบคุมบังคับลมไม่บังคับให้มันเข้าไม่บังคับให้มันออกปล่อยมันเข้าออกตามเรื่องของมันเพียงแต่ดูมันให้รู้ว่ามันกําลังเข้าหรือออก แล้วถ้าอยากจะเอาพุทโธเข้าไปกํากับด้วยก็ได้เวลาเข้าก็บอกพุทธเวลาออกก็ว่าโธถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาพุทธโธดูลมเฉยๆอย่างเดียวดูว่ามันกําลังเข้าหรือกําลังออกอหรือถ้าไม่อยากจะดูลมก็พุทโธอย่างเดียวก็ได้ท่องพุทโธพุทธโธพุทโธไปภายในใจเป้าหมายของการกระทําเหล่านี้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง พอใจคิดมันจะไม่สงบไม่สงบแล้วเวลาเกิดความอยากมันจะทุกข์มันจะทรมานใจถ้ามันสงบเวลาเกิดความทุกข์เกิดความอยากมันจะไม่ทุกข์ทรมานคาถามจากคุณสุบินกราบขอถามถ้าเลี้ยงพ่อแม่ไม่ดี ตอนนี้สิ้นพ่อแม่มาสันนึกบาปจะมีวิธีแก้บาปทางไหนและมีวิธีตอบแทนพระคุณได้ทางไหนบ้างคะไม่มีแล้ ว, ลวตายไปแล้วเลยทำไงทาอย่างน่ามากก็ส่งบุญไปเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ก็ทำบุญอุทิศไปเพียงอย่างเดียวถึงต้องเพราะไม่เคยเตือนใจสอนใจความสำคัญของพ่อของแม่ ไม่เคยน้ำลึกถึงพระคุณของแม่เลยลืมความสําคัญของพ่อของแม่ไปโบราณก็ถึงสอนไงว่าเวลากราบผ้าเสร็จให้กราบพ่อกลับแม่การกราบพ่อกลับแม่ไม่ไหนมาคราววันจะต้องไปกราบที่หน้าตักกราบที่ไหนก็ได้เพื่อให้เราล้ำลึกถึงพระคุณของท่านการกราบนี้เพื่อเป็นการล้ำลึกถึงพระคุณกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เหมือนกัน ให้เราลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีพระคุณเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รองจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะทำให้เรามีร่างกายนี้ได้นอกจากพ่อแม่ของเราถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนตื่นนอนมันก็จะไม่หลงไม่ลืมความสาคัญของพ่อของแม่ จักพ่อรักแม่อยากอยากจะดูแลพ่ออยากจะดูแลแม่แต่ถ้าเราไม่กลาบไม่นึกถึงท่านมัวแต่ไปวุ่นวายกับชีวิตของเรามันก็เลยทําให้ไม่เห็นความสําคัญของพ่อของแม่เราก็จะไม่มีเวลาไปดูแลเพราะเรามัวแต่มาดูแลผลประโยชน์ของเราไปดูแลพ่อแม่ก็จะทําให้เราเสียผลประโยชน์ของเราก็เลยไม่อยากไปไปก็ดูแลแบาบป ไม่เต็มใจดูแลแล้วก็มาเสียใจในภายหลังเวลาที่พ่อแม่ตายไปแล้วงั้นอย่ามาเสียใจเสียเวลาก็มันมันมันก้ไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วนอกจากทาบุญอุทิศไปเท่านั้นเองหมดแล้วนหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา